กายานุปัสนาการตามรู้กองรูปหมวดอิริยาบถในขณะเดินนักปฏิบัติพึงเจริญสติรู้เท่าทันสภาวะเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวได้การกำหนดว่าเดินหนอเดินนอหรือย่างหนอ ย, ย่างนอหรือยกหนอย่างนอเหยียบนอ เมื่อสมาธิแก่กล้ามากขึ้นนักปฏิบัติจะสามารถรับรู้จิตที่ต้องการจะเดินได้อีกด้วยการรู้ว่าจิตจะต้องการเดินจะเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเกิดอาการเคลื่อนไหวต่อมามีสาธกในเรื่องนี้ว่าดูกระรพิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิสษุเมื่อเดินอยู่ ย่อมรู้ชัดว่าเดินอยู่เธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าจิตที่คิดนึกว่าจะเดินย่อมเกิดขึ้นจิตนั้นย่อมยังาธาตุลมให้เกิดขึ้นาธาตุลมย่อมยังวิญญาตรูปให้เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวข้างหน้าของร่างกายทั้งหมดด้วยการขับเคลื่อนของาธาตุลมที่จิตกระทาขึ้นเรียกว่า การเดินความจริงคนทั่วไปที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานก็รู้ว่าตนเดินแต่ใจมักคิดถึงเรื่องอดีตหรืออนาคตโดยไม่ได้รับรู้สภาวะเดินอย่างแท้จริงในบางขณะแม้จะรู้สึกถึงการเดินที่มีความสำคัญว่าเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราที่เดินอยู่การเดินมีความเที่ยงไม่แปรปรวน เพราะกิริยาเดินดำรงอยู่เหมือนเดิมมิได้ปรากฏสภาวะเกิดดับความรู้สึกของคนทั่วไปจึงมีอัตตสัญญาคือความสำคัญว่าเป็นตัวตนไม่ใช่สติปัฏฐานหรือวิปัสนาภาวนานักปฏิบัติผู้ตามรู้สภาวะเดินในปัจจุบันขณะ ย่อมจะมีสติและปัญญาแตกต่างจากการรับรู้ของคนทั่วไปกล่าวคือเขาย่อมรับรู้จิตที่ต้องการจะเดินก่อนโดยกำหนดว่าอยากเดินหนอแล้วสามารถตามรู้สภาวะเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเขารู้ว่าสภาวะเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากจิตที่สั่งให้เคลื่อนไหว และสภาวะเคลื่อนไหวนั้นก็มีความขาดช่วงในระยะที่ยกย่างและเหยียบไม่ปะปนกันหลังจากนั้นก็จะยังเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของสภาวะเคลื่อนไหวโดยละเอียดนักปฏิบัติผู้เกิดสภาวะทำอย่างนี้ย่อมจะเข้าใจว่าไม่มีตัวเราของเราซึ่งเป็นผู้เดินมีเพียงจิตที่สั่งงาน และกลุ่มรูปที่เคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งมีสภาพไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับและไม่ใช่ตัวตนที่ผู้ใดอาจบังคับบัญชาได้เขาย่อมเพิกถอนความเห็นผิดว่ามีบุคคลตัวตนเป็นเราของเรา และละความยึดมั่นในตัวตนดังสาทกว่าความเข้าใจของภิกษุนี้ย่อมละความเห็นว่าเป็นบุคคลย่อมเพิกถอนความสำคัญว่าเป็นตัวตนจัดเป็นกรรมฐานและการเจริญสติปัฏฐานปัญญาที่ยังเห็นนลักษณะดังกล่าวนี้ชื่อว่าอสัมมโนหะสัมปัญญาคือความยังเห็นโดยไม่หลงผิด ส่วนการเจริญสติที่กำหนดว่าอยากเดินหนอหรือเดินหนอเป็นต้นชื่อว่าโคโจรสำปัญญะคือความอย่างเห็นอารมณ์ของสติสมาธิและปัญญาอันึ่งโคโจรสมปัญญะเป็นเหตุอสัมโมหาสมปัญญะเป็นผล นักปฏิบัติจึงควรจเจริญโคจรสัมปัชญะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเมื่อโคจรสัมปัชญะแก่กล้ามีกำลังแล้วอสัมโมหะสัมปัญญะก็จะเกิดขึ้นแล้วพัฒนาเรื่อยไปตามลำดับดังสาธกในคำภีอัตถกถาว่าการอย่างเห็นไม่สงสัยในการก้าวไปเป็นต้นชื่อว่าอาสัมโมหสัมปัญญะ พึงทราบอสัมโมหสมะสำปัญญะอย่างนี้ภิกษุในพระศาสนานี้ก้าวหรือถอยอยู่ย่อมประสจากความหลงผิดเหมือนปุตุชนคนบอดที่หลงผิดว่าในการก้าวเป็นต้นอัตตาย่อมก้าวการก้าวถูกอัตตาทำให้เกิดขึ้นหรือหลงผิดว่าเราก้าวอยู่ การก้าวถูกเราทําให้เกิดขึ้นเมื่อจิตที่คิดว่าจะก้าวเกิดขึ้นอยู่วาโยธาต์ก็มีจิตเป็นสมุดฐานยังวิญญาตรูปให้เกิดขึ้นย่อมเกิดร่วมกับจิตนั่นเองกองกระดูกที่สมมุติว่าร่างกายนี้ย่อมก้าวด้วยการแผ่ไปแห่งวาโยธาตอันจิตกระทําขึ้นเมื่อเขาก้าวอยู่ ในขณะยกเท้าข้างหนึ่งธาตุสองอย่างคือปฐวีธาตุและอาโปธาตุมีกำลังน้อยส่วนธาตุสองอย่างอื่นคือเตโชธาตุและวายโยธาตุมีกำลังมากแม้ในขณะย่างและย่างไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกันแต่ในขณะเหยียบเตโชธาตุและวายโยธาตุมีกำลังน้อย ส่วนธาตุทั้งสองที่เหลือคือปฐวีธาตุและอาโปธาตุมีกำลังมากในขณะวางและกดก็เช่นเดียวกันนี้ในบรรดาขณะเหล่านั้นรูปนามที่เป็นไปในขณะยกย่อมไปไม่ถึงขณะย่างเช่นเดียวกันนี้รูปนามที่เป็นไปในขณะย่างก็ไปไม่ถึงขณะก้าวไปข้างหน้า ที่เป็นไปในขณะดันไปข้างหน้าก็ไปไม่ถึงขณะเหยียบที่เป็นไปในขณะเหยียบก็ไปไม่ถึงในขณะวางที่เป็นไปในขณะวางก็ไปไม่ถึงในขณะกดรูปนามเหล่านั้นเกิดดับเป็นชุดชุดละตอนย่อมดับไปในขณะนั้นนันเองเหมือนเมล็ดงาที่ใส่ในกระทะร้อน ฉี่ส่งเสียงอยู่ในรูปน้ำที่เกิดดับอยู่นั้นใครคนหนึ่งก้าอยู่หรือหรือเป็นการก้าวของใครคนหนึ่งหรือความจริงเป็นเพียงการเดินยืนนั่งและนอนของธาตุทั้งหลายโดยสภาวะธรรมโดยแท้จริงแล้วในขณะเดินและคิดเป็นต้นนั้นจิตดวงเก่าย่อมดับไปพร้อมกับรูป จิตดวงหมายย่อเกิดขึ้นต่อกันไปกระแสจิตดำเนินไปไม่ขาดช่วงเหมือนกระแสน้ำความอย่างเห็นไม่หลงผิดไปในการก้าวเป็นต้นอย่างนี้ชื่อว่าอสัมโมหะสัมปชัญญาพระอัตถฐาจารย์กล่าวถึงลักษณะของธาตุในขณะยกเท้าเป็นต้นว่าการยกเกิดจากธาตุไฟและธาตุลม การย่างเกิดจากธาตุไฟและธาตุลมการก้าวไปข้างหน้าเกิดจากธาตุไฟและธาตุลมการเหยียบเกิดจากธาตุดินและธาตุน้ำการวางเกิดจากธาตุดินและธาตุน้ำการกดเกิดจากธาตุดินและธาตุน้ำ อย่างไรก็ตามคมพีดีกาได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าธาตุไฟเบากว่าธาตุลมและธาตุน้ำหนักกว่าธาตุดินจึงสรุปสภาวะของธาตุในขณะเดินได้ว่าการยกเกิดจากธาตุไฟเป็นหลักธาตุลมคล้อยตามเพราะธาตุไฟมีสภาพเบากว่าธาตุลมตามอาการปรากฏ ของธาตุไฟว่ามีการให้ถึงความอ่อนการพุ่งขึ้นสูงเป็นเครื่องปรากฏการย่างเกิดจากธาตุลมเป็นหลักธาตุไฟคล้อยตามเพราะมีสภาพผลักดันตามอาการปรากฏของธาตุลมว่าอภินิหารปัจจุปัฏานามีการผลักดันเป็นเครื่องปรากฏ การก้าวไปข้างหน้าเกิดจากธาตุลมเป็นหลักธาตุไฟคล้อยตามเพราะมีสภาพผลักดันการเหยียบเกิดจากธาตุน้ำเป็นหลักธาตุดินคล้อยตามเพราะธาตุน้ำมีสภาพหนักกว่าธาตุดินตามลักษณะของธาตุน้ำว่าปักครณะลักนามีลักษณะหลายหรือเกาะกลุ่ม เรื่องด้วยธาตุน้ำมีลักษณะไหลไปสู่ที่ต่าจึงหนักกว่าธาตุดินการวางเกิดจากธาตุดินเป็นหลักธาตุน้ำคล้อยตามเพราะมีสภาพสัมผัสความแข็งหรืออ่อนตามลักษณะของธาตุดินว่ากักะขะรตะลัคนามีลักษณะแข็งหรืออ่อน และตามหน้าที่ของธาตุดินว่าปฏิทถาะรษามีหน้าที่ตั้งไว้การกดเกิดจากธาตุดินเป็นหลักธาตุน้ำคล้อยตามมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคำพีดีกาว่าธาตุไฟที่มีธาตุลมตามไปย่อมเป็นปัจจัยแก่การยก เพระาะธาตุไฟมีสภาวะพุ่งขึ้นสูงธาตุลมอันมีธาตุไฟตามไปย่อมเป็นปัจจัยแก่การย่างและก้าวไปข้างหน้าเพราะความขวนขวายยิ่งในการย่างเท้าและดันเท้าย่อมมีแก่ธาตุลมที่มีสภาวะไปทางขวางธาตุน้ำอันมีธาตุดินตามไปย่อมเป็นปัจจัยแก่การเหยียบ เระาธาตุน้ํามีสภาวะหนักกว่ า, าธาตุดินคัมภีวิสุทธิมักกล่าวว่าอติหรณะแปลว่าการย่างส่วนวิติหรณะแปลว่าการย้ายหมายถึงการย้ายเท้าในขณะย่างเพื่อหลีกเลี่ยงน้ําหรือต่อเป็นต้นดังข้อความว่าการย่างไปข้างหน้าชื่อว่า อติหรณะการย้ายเท้าจากที่โน้นที่นี้เมื่อพบต่อน้ำหรืองูเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าวิติหรณะอย่างไรก็ตามคำพีมุลดิกาและดิกาของทีคนิกายได้แสดงความหมายของวิติรหณนะอีกในหนึ่งว่า การก้าวไปข้างหน้ากล่าวคืออติรหนะหณะเป็นการย่างไปจนถึงเท้าที่ยืนอยู่ส่วนวิติรหนะหณะเป็นการย่างต่อไปข้างหน้าต่อจากนั้นดังมีสาทกในเรื่องนี้ว่าอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าการก้าวไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงต่อไม้เป็นต้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงเท้าที่ยืนอยู่ชื่อว่าวิติระหนะอีกนายหนึ่งความต่างกันของอติระหนะและวีติระหนะเหล่านั้นมีดังนี้คือการย่างไปถึงเท้าที่ยืนอยู่ชื่อว่าอติรหนะหณะส่วนการก้าวไปต่อจากนั้นชื่อว่าวีติระหนะ การย่างไปข้างหน้าพ้นไปจากสถานที่ซึ่งยืนอยู่ชื่อว่าอติอรหนะหณะการก้าวไปด้านข้างเพื่อหลีกเลี่ยงตอไม้เป็นต้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกับเท้าที่ยืนอยู่ชื่อว่าวิติรหนะหณะอีกในหนึ่งความต่างกันของอติอระหณะและวิติระหณะเหล่านั้นมีดังนี้ คือการย่างไปถึงเท้าที่ยืนอยู่ชื่อว่าอติรหนะหณะส่วนการก้าวไปต่อจากนั้นชื่อว่าวีติระหนาะโดยเหตุที่การย้ายเท้าตามที่กล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคเป็นสิ่งที่ปรากฏในบางขณะเมื่อเดินจงกรมอยู่ในปา่าและการย่างเท้าไปข้างหน้าผ่านเท้าไปตามที่กล่าวไว้ในมูลดีกาและดีกาของทีฆนิกาย ก็จัดว่าเป็นการย่างเท้าเหมือนกันโบรณาณจารย์จึงกล่าวถึงการเดินจงกรมหระยะโดยเพิ่มการยกส้นเท้าว่าขึ้นหนอยกหนอย่างหนอเหยียบนอหรือลงหนอถูกหนอกดหนอการกำหนดว่าถูกหนอ คือการวางเท้ากับพื้นซึ่งเรียกว่าสันนิเขปะนะนั่นเองดังคมพีวิสุทธิมักกล่าวว่าสันนิเขปนางนามะปัทวีตะเลทะปะนังการวางไว้บนพื้นดินชื่อว่าสันนิเขปะนะการตามรู้อิริยาบถในขณะยืนเป็นต้นในขณะยืนนั่งและนอน นักปฏิบัติพึงกำหนดว่ายืนหนอนั่งหนอนอนหนอเมื่อสติสมาธิและปัญญาแก่กล้ามากขึ้นนักปฏิบัติจะรับรู้ถึงจิตที่ต้องการจะยืนและสภาวะยืนที่เป็นาธาตุลมอันมีลักษณะตึงจิตที่ต้องการจะนั่งและสภาวะนั่งที่เป็นาธาตุลมอันมีลักษณะตึง พร้อมทั้งจิต ท, ที่ต้องการจะนอนและสภาวะนอนที่เป็นาธาตุลมอันมีลักษณะหย่อนตึงและาธาตุดินอันมีลักษณะแข็งอ่อนความเข้าใจสภาวะธรรมของนักปฏิบัตินี้แตกต่างจากความรู้สึกของบุคคลทั่วไปดังมีสาธกว่าความโดยพิสดารว่าภิกษุรูปหนึ่งเมื่อเดินไปย่อมคิดดำริเรื่องอื่นไป ภิกษุรูปหนึ่งเดินไปไม่ละกรรมฐานเช่นเดียวกันนี้รูปหนึ่งเมื่อยือนนั่งนอนย่อมคิดดำริเรื่องอื่นนอนอยู่รูปหนึ่งนอนไม่ละกรรมฐานหมวดสัมปัจจัญญา พระพุทธองค์ตรัสวิธีเจริญสติในหมวดสัมปชัญญะว่าดูกระพิษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือพิษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในขณะก้าวหรือถอยพึงตามรู้สภาวะก้าวหรือถอยบริกรรมว่าก้าวหนอเดินหนอย่างหนอ หรือถอยหนอเมื่อวิปัสสนาญาณกำลังมากขึ้นจะรับรู้ถึงจิตที่ต้องการจะก้าวหรือถอยพร้อมทั้งสภาวะก้าวหรือถอยที่เป็นสภาวะเคลื่อนไหวอ ย, อย่างชัดเจนประสาจากตัวตนเราของเรามีพระพุทธดรรรัสต่อไปในหมวดนี้ว่า อาโลกิเตวิโลกิเตสัมปัญญาการีโหติพิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการแลในการเหลียวแม้ในขณะแลและเหลียวก็พึงกำหนดว่าดูหนอเห็นหนอตามสมควรการปฏิบัติดังนี้จัดเป็นโคจรสัมปัญญาซึ่งจเจริญอยู่เสมอไม่ละกรรมฐาน ดังมีสาทกว่าการไม่ละกรรมฐานที่เป็นสมถะหรือวิปัสนาเป็นโคจรสัมปัญญะดังนั้นผู้ที่จเจริญกรรมฐานเป็นขันธ์อายตนะและธาตุพึงกระทาการแลและเหลียวตามกรรมฐานของตนหรือผู้ที่จเจริญกรรมฐานอันเป็นกะสินเป็นต้นก็พึงกระทาการแ ล, แลและเหลียว โดยมีกรรมฐานของตนเป็นหลักผู้ที่เจริญสมถภาวนาพึงระลึกรู้กรรมฐานของตนมีกสินนิมิตเป็นต้นอยู่เสมอแม้เมื่อต้องการจะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องใส่ใจต่อกสินนิมิตเป็นต้นนั้นเหมือนแม่วัวมองดูลูกน้อยกินหญ้าอยู่ส่วนผู้ที่เจริญวิปัสนาภาวนาพึงระลึกรู้สภาวะ ทำปัจจุบันที่ประจักษ์ในปัจจุบันขณะการตามรู้ในขณะแลและเหลี่ยวนี้มีหลายอย่างตามสมควรคือเมื่อรับรู้จิตที่ต้องการจะดูพึงกำหนดจิตนั้นว่าอยากดูหนอเมื่อรับรู้การลืมตาพึงกำหนดว่าเปิดหนอเมื่อกรอกตาพึงกำหนดว่าเคลื่อนหนอ เมื่อเคลื่อนไหวใบหน้าหรือคอพึงกําหนดว่าเคลื่อนหนอเมื่อเห็นพึงกําหนดว่าเห็นหนอเมื่อความคิดพิจารณาเกิดขึ้นจากการเห็นพึงกําหนดว่าคิดหนอมีพระพุทธดํารัสต่อไปในหมวดนี้ว่าสมินชิตเต ภาษาริเตสัมปชานะการีโหติภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการคูเข้าในการเหยียดออกในขณะคูเหยียดพึงกำหนดตามอากับกิริยานั้นๆว่าคูหนอเหยียดหนอดันหนอดึงหนอเคลื่อนหนอสั่นหนอ เมื่อวิปัสสนาญาณแ ก, ก่กล้าแล้วนักปฏิบัติจะสามารถรับรู้ถึงจิตที่ต้องการจกคูและเหียดได้อีกด้วยในคำพีอธกกถากล่าวถึงเรื่องการคูเข้าและเหยียดออกของพระเทระรูปหนึ่งว่าพระเทระรูปหนึ่งสนทนากับศิตอยู่ได้คูแขนเข้าอย่างรวดเร็วโดยขาดสติ ท่านจึงเหยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าอีกครั้งอย่างเชื่องช้าสิทธิ์ของท่านสงสัยจึงถามว่าเหตุใดทำอย่างนี้ท่านตอบว่าเราไม่เคยขาดสติคู่แขนเข้าตั้งแต่เวลาปฏิบัติธรรมเป็นต้นมาแต่ในเวลาสนทนาอยู่นี้ได้คู้แขนเข้าโดยปราศจากสติกหนดรู้ จึงทำซ้ำเพื่อเตือนสติในโอกาสต่อไปเวลานั้นสิตของท่านจึงกล่าวสาธุการเรื่องนี้แสดงถึงการคู่เข้าและเหยียดออกโดยมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาและสอนให้ทำอย่างเชื่องช้าการรับรู้ถึงสภาวะคู่เหยียดพร้อมทั้งจิต ท, ที่ต้องการจะทำอากัปกิริยาเหล่านี้ ชื่อว่าโคจรสัมปชัญญะต่อเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติจะรู้ชัดว่าไม่มีตัวตนผู้กระทาการเคลื่อนไหวมีเพียงสภาวะเคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งโดยเกิดจากจิตที่ต้องการทำซึ่งเกิดก่อนหน้าแล้วดับไปและเขาย่อมเกิดปัญญาอย่างเห็นสภาวะเคลื่อนไหว ในการคู่เข้าและเหยียดออกนั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปทีละช่วงในสภาวะคูไม่มีสภาวะเหยียดในสภาวะเหยียดไม่มีสภาวะคูปัญญาดังกล่าวย่อมรู้แจ้งในพระไตร ล, ลักษณ์คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนชื่อว่าอสัมโมหสัมปะชัญญา การบริการมว่าคูหนอเยยดหนอช่วยให้นักปฏิบัติรู้ตัวว่ากำลังตามรู้ปัจจุบันอยู่ในขณะนั้นจิตของนักปฏิบัติรับรู้คำบัญญัติสลับกันไปกับสภาวะเคลื่อนไหวแต่เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าแล้วนักปฏิบัติจะรู้สึกถึงจิตที่ต้องการจะเคลื่อนไหวและรับรู้สภาวะเคลื่อนไหวที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว ในขณะนั้นนักปฏิบัติจะรับรู้สภาวะธรรมได้โดยไม่ต้องบริกรรมมีพระพุทธดำรัสต่อไปในหมวดนี้ว่าสังคาติปตะจีวะระธารเนสัมปชานาการีโหติพิสุย่อมทำความรู้สึกตัวในการพาดผ้าสังคาติอุ้มบาทและ ห่มจีวรในเวลานุ่งห่มจีวรทรงผ้าสังคติพึงกำหนดตามสภาวะนั้นๆว่านุ่งหนอห่มหนอคลุมหนอเป็นต้นในเวลาถือภาชนะเช่นบาตรถ้วยจานช้อนพึงกำหนดว่าจับหนอถือหนอวางหนอถูกหนอ เมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติจะรับรู้จิตที่ต้องการจะทำอกัปกิริยานั้นๆพร้อมทั้งอกัปกิริยาเคลื่อนไหวและสภาวะสัมผัสทางร่างกายมีพระพุทธดารัสต่อไปในหมวดนี้ว่าอาสิเตปิเตขายิเตสายิเตสัมปัานะการีโหติภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการฉัน การดื่มการเคี้ยวและการลิ้มในเวลาฉันพึงกำหนดว่าฉันหนอดื่มหนอเคี้ยวหนอลิ้มหนอกลืนหนอเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติจะรับรู้จิตที่ต้องการทาอากบปิริยา น, นั้นๆพร้อมทั้งสภาวะเคลื่อนไหวและการรับรู้รสด้วยชิวหาวิญญาณอันหนึ่ง ในคำพีอัธกถาได้กล่าวถึงอสัมโมหสัมปชัญญาไว้ในเรื่องพิจารณาอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูลโดยกล่าวว่าอาหารเป็นของปฏิกูลด้วยอาการสิบอย่างมีการไปการสแสวงหาการบริโภคแหล่งที่เก็บและการหมักหมมเป็นต้น ข้อความดังกล่าวเป็นอสัมโมหะสัมปัญญะที่เกี่ยวกับสมถภาวนาไม่ใช่วิปัสนาภาวนาอีกนายหนึ่งเมื่อโคจรสัมปัญญะแก่กล้าขึ้นด้วยการกำหนดว่าฉันหนอดื่มหนอเคี้ยวหนอเป็นต้นนักปฏิบัติอาจเกิดความรู้สึกกรังเกียดอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูล และเห็นว่าเป็นภาระในการเคี้ยวกินบางท่านทานอาหารได้ไม่อิ่มเพราะรู้สึกว่าน่ารังเกียจการสำคัญว่าอาหารเป็นสิ่งปฏิโกณ น, นี้เกิดขึ้นเมื่อโคจรสัมปัญญะมีกำลังแก่กล้าแล้วดังนั้นพระอัฏกถาจารย์จึงกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในอสัมโมหสัมปัญญะมีพระพุทธดารัสต่อไป ในหมวดนี้ว่าอุจาระปัสสาวกมเมสัมปะชาณาการิโหติภิกษุย่อมทําความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจาระและปัสสาวะในขณะขับถ่ายอุจาระและปัสสาวะพึงกําหนดว่าถ่ายหนอเป็นต้นความจริงแล้วการเจริญวิปัสสนาเป็นการรับรู้รูปนามตามความเป็นจริง ไม่มีการเลือกอารมณ์ที่ดีเลิศหรือต่ำซางเพราะอารมณ์ทุกอย่างเหมือนผ้าขาวที่มาปรากฏในจิตถ้าเรารับรู้อารมณ์ด้วยสติและปัญญาก็เหมือนกับการจับผ้าด้วยมือที่สะอาดถ้ารับรู้อารมณ์ด้วยความโลภเป็นต้นก็เหมือนการจับด้วยมือที่สกปรกเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้น นักปฏิบัติจะรับรู้จิตที่ต้องการจะขับทายและสภาวะเคลื่อนไหวของรูปธรรมพร้อมด้วยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นต้นมีพระพุทธรรมรัสต์ต่อไปในหมวดนี้ว่าภิกษุย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดและการนิ่ง